ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไยบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีก็จะเป็นผู้ที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรถ้าไม่พูดเรื่องธรรมะเพราะว่าเป็นผู้ที่ คอยต้องคอยที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ฟังสิ่งทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จาแจ้งเป็นผู้ที่บอกทางสวรรค์ให้นี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์นอกจากนี้ยังจะต้องมีความเมตตาทางกายทางวาจาทางใจด่างกับทุกคนอันนี้ก็เปรียบเส ม, มือนว่าเป็นพินัยกรรมที่พระเจ้าเดมมอบให้ไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมนั้นก็คือฟังเพื่อจะหาจุดที่ จะมาปรับปรุงจิตใจของเราให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นแต่ยังมีความมืดหมองความอะไรที่มันจะแก้ไขได้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขธรรมะถ้ามีไว้ในใจจิตใจเราก็ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์มีความเย็นเบาสบายทีนี้จิตใจที่ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์มีความเบาสบายเนี่ย มันก็จะไหวว่องไหวต่อกุศลหรืออกุศลต่างๆพระเจ้าใ ช, ช้คําว่าเป็นผู้ที่จับจ่วยได้ไหวในกุศลและธรรมทั้งหลายเวลาที่จิตเราว่องไวต่ออาการทั้งดีและไม่ดีเราจะเห็นเราจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่หลายครั้งที่เราเห็นผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆลายค น, นเคยมีประสบการณ์นี้นั่งสมาธิไปทำไมรู้สึกมันหดหูหดหูแล้วจิตทําไมมันเศร้าหมองขึ้นมากึกขึ้นมาทันทีทันใด และนั่นก็เพราะว่าอาการที่อย่างหนึ่งนะเห็นหนึ่งในหลายหลายเหตุเนะี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาการที่จิตของเราเนี่ยฉลาดบ้องไวต่อสิ่งต่างๆ ท, ที่มันขึ้นมาจากจิตน่คือเวลาเราลอกกิเลสออกไปลอกกิเลสออกไปเนี่ยเราอาจจะไปเจอจุดที่กิเลสบางอย่างมันออกมาเนี่ยมันฟูขึ้นมามันออกมามันเปิดเผยตัวออกมาเนี่ยจิตเราก็มีสภาพที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาทําให้มีความเพราะว่าเรามีความว่องไวในการที่เราเห็นสภาพวิจิตตรงนั้นวิธีการแก้ไขก็คือการที่เราให้วางให้นิ่งอยู่ต่อไปให้จิตของเรานิ่งอยู่เหมือนเดิมในการที่ให้จิตของเรานิ่งอยู่เหมือนเดิมก็กิเลสก็จะหล่อออกไปจิตของเราก็จะสบายอยู่เหมือนเดิมขึ้นมายควาว่าพูดง่ายๆแต่นะ เวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเราก็ให้นิ่งเฉยอยู่อย่าให้จิตของเราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบการเปลี่ยนแปลงบางทีจิตมันเศร้าบ้างจิตมันดีใจจิตมันลิงลวดจิตมันเศร้าหมองจิตมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบ้าของมันนั่นแหละเหมือนกันเวลาที่เราฟังธรรมะนี่บางวันแหมฟังแล้วสบายใจไอ้บางวันฟังแล้วซ้ําไปซ้ำมาเบื่อแอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันไหลไปตามหมายความว่าไง ดูอย่างตัวอย่างภูเขาหินเป็นต้นภูเขาหิน อ, อย่างภูเขาที่มันเป็นหน้าผาขึ้นไปนนะโอใหญ่มากมีความยิ่งใหญ่มีความสูงชันมีความ โ, มโหราณ เ, เวลาที่มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยฝนตกใจลมพัดใจเมฆฝนเมฆหมอกพายุอะไรต่างพัดเข้ามาธรรมะภูเขาหินนี้เปียกไหมโอเปียกแน่นอนเปียกโชกเลยแล้วมัน ตั้งอยู่เต็มๆไม่มี่มไปกันมานนิแต่ว่ามันไม่หวั่นไหวไปตามแรงลมมันหวั่นไหวไปไม่ละลายไปกับน้าฝนที่ตกใส่เนื่อเหมือนกันเวลาที่จิตเรามีอะไรมากระทบเนี่ยจะเป็นความสุขที่เกิดจากภายในความเศร้าหมองที่เกิดจากภายในที่มันไหลออกมาหรือคนอื่นทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกหรืออะไรมันรับรู้ได้แน่นอนต่ต้องโดนกระทบแน่นอน แต่ที่แน่ๆคือว่าเราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นไม่ไหลไปตามก็คือว่าไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบนั้นไม่ว่าสิ่งจะมากระทบนี้จากภายนอกหรือว่าจากไายในก็ตามนะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ไม่ใช่ไม่โดนนะโดนเต็มๆแน่นอนเพราะหน้าที่ของจิตคือการเข้าไปรับรู้รับรู้สิ่งต่างๆรับรู้เสียงด่าว่าแต่บางทีอารมณ์บางอย่างมัน ฟูขึ้นมาในใจของเราเฮ้ทำไมใจเรามันเศร้าหมองอยู่ๆก็เป็นขึ้นมามีแน่นอนมันโดนกระทบแน่นอนภูเขาหินโดนฝนตกใส่โดนลมพัดใส่แน่นอนเราอยู่ในสังสารวัตนี่เรายังมีปัสสะมันโดนแน่นอนแต่ภูเขาหินไม่ละลายไปตามน้ําฝนที่พัดพาสา์ใส่ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะลมที่โหมพัดเข้ามา ที่ฝึกดีแล้วก็จะต้องไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบรู้สึกยุ่งเจ้าหมอมก็มีลิงโลดก็มีแต่อย่าให้วันไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบอย่าให้มีความแสดงความโกรธความขัดเกลืองความไม่พอใจให้ปรากฏอย่าให้มีความร่ําไห้คร่ําครวญทุ บ, บกชกตัว หรือแสดงความเป็นผู้อุ่งงงคลัางเพ้ออย่าให้เป็นผู้ที่กำหนัดลุ่มหลงโมเมายึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบนั้นรู้สึกได้อยู่ตรงนี้พระเจ้าจึงบอกว่าให้เป็นผู้มีสติเฉยๆสตินี่ยคือการที่ไม่ไหลไปตามแล้วก็ไม่วิ่งหนีอาการที่ไม่ไหลวิ่งเข้าไปหาหรือไม่วิ่งหนีอาการนี้คือรู้อยู่ยยเฉย จิตมีราคาก่อรั่วจิตมีราคาจิตมีโทสะก็รั่วจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็ร่วจิตมีโมหะเอาทำไมยังมีราคาโทสะโมหะอยู่ครูชาบอกนะย่างพลาดหันนะราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตก็รู้ชัดว่าราคาโทสะเกิดขึ้นในจิตนะรู้อยู่เฉยแต่ไม่ได้ตามไปรู้อยู่เฉยแต่ว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันจะมากระทบนั้นฟังให้ดี เวลาที่เราปฏิบัติธรรมฟังธรรมะดีก็มีไม่ดีก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีมันธรรมดาจิตมันมันบ้าจิตมันถูกหลอกจิตมันไม่รู้เรื่องแต่ยังไม่เป็นบ้าหันนะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งสุขอุย้ยสุขจะเป็นจะตายเดี๋ยววันหนึ่งทุกทุกมากเลยเกิดเพราะอะไร คุณอยู่ที่ไหนล่ะคุณอยู่ในสังสารวัตรหรือเปล่าถ้าสังสารวัตมีสุข ก, ก็มีทุกข์ก็มีอะไรที่ไม่มีการวนไปวนมาในสังสารวัรนี่ความทุกข์ไม่มีไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นพระเจ้าจึงแนะนำให้ออกจากที่ที่มันบนเวียนหมุนติว้วมึนตึงวนก็ไปวนกม็มาเหมือนสังสารวัตนี่แหละ แต่เป็นอย่างนี้แล้วเราจ อ, อกได้ยังไงก็ฟังธรรมะไงบริจาบบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราได้เปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดโสตประสาทนะท่านผู้ฟังโสตประสาทโสตประสาทก็หูนั่นแหละมีหูไหมฟังธรรมะได้หรือเปล่า แต่ฟังธรรมะไม่ได้ก็อ่านแล้วก็ทําเสียงข้างในได้ไหมอ่านแล้วเข้าใจไหมแต่เพราะนั้นการฟังธรรมตามการจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลดียิ่งกว่า ม, มงคลไหนๆวัตถุมงคลข้าวของมงคลงานมงคลฟังธรรมะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะเนี่ย จ, จะเป็นถ้าอยู่ในใจของเรา สิ่งร้ายก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยบุคคลที่มีธรรมะนี่ไม่มีใครจะทําอันตรายได้ไม่มีใครจะประทุษร้ายผู้ที่มีธรรมะในจิตโดยเป็นธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมเราฟังให้เข้าใจจุดประส ง, งค์ของการฟังฟังซ้ําๆฟังย้งํำๆฟังอยู่บ่อยๆ เรื่องเดิมๆนั่นละฟังเข้าไปฟังแล้วเราก็จะรู้อยู่ในใจได้รู้นี่นะไม่ได้ไหลไปตามนะหรือไม่ได้วิ่งหนีนะรู้ในที่นี้คือมีสติอยู่เฉยๆคุณฟังสิ่งที่ไม่ชอบใจฟังสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วเราจะอยู่สบายๆได้ไหมเราจะให้รู้อยู่เฉย ว่าเออมันซ้ำนี่มันมีความเบื่อเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีความสบายใจเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีความปีติเกิดขึ้นหรือเปล่าเดียวเราต้องรู้ตรงนี้แล้วไงต่อไม่ไหลไปตามเวลาที่เขาพูดพูดอะไรมากระทบนี่มันก็จะมีวาจาที่ใครจะมาพูดใส่หูเราได้นี อยู่แค่สี่ห้าอย่างเท่านั้นเองหน้ว่าจาที่เขาจะกล่าวหาเราได้ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นพูดพระพูดรัฐบาลพูดคนใกล้ตัวพูดใครๆพูดก็ตามไม่มีทางที่จะหลุดออกจากห้าอย่างนี้วันนี้พูดเรื่องประิยัติที่ไม่เป็นงูพิดนะท่านฟังจําได้ไหมปริยัติที่ไม่เป็นงูพิ ษ, นะ ร, ะะพษรู้จัพูดถึงหมุตธรรมห้าอย่างที่เป็นถ้อยคําเป็นวาจาที่ คนหนึ่งเขจะกล่าวหาเราได้ฟังแล้วมันจี๊ดบ้างฟังแล้วมันหลงบ้างฟังแล้วมันพื้นตันยินดีบ้างมันไม่มีเกิน5้าอย่างนี้หรอกคือ1กล่าวโดยเวลาหรือโดยไม่ใช่เวลาคือถูกการหรือโดยไม่ถูกการว่างกันเถอะเวลานี้ควรกล่าวก็กล่าวเวลานี้ไม่ควรกล่าวก็กล่าวขึ้นมานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยไม่ใช่เรื่องจริง บางทีเขาพูดจริงก็มีบางทีเขาพูดไม่จริงก็มีแล้วก็ที่3ามเขากล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายลักษณะการพูดจะอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ได้ข้อที่4คือกล่าวด้วยเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แล้ว้อที่หาคือกล่าวด้วยจิตที่มีเมตตาหรือมีโทสะในภายในคนพูดในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพูดริยะสาวกพูดสาวกธรรมดาพูดคนผ่านพูดลูกพูดหลานพูดผัวพูดเมียพูดใครๆพูดก็ตามก็จะต้องอยู่ในห้าอย่างนี้ถูกเวลาบ้างไม่ถูกเวลาบ้างเรื่องจริงบ้างเรื่องไม่จริงบ้างอ่อนหวานบ้างหยาบคายบ้างมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้าง มีจิตเมตตาบ้างหรือมีจิตโทสะบ้างต่อให้เขากล่าวโดยสมมตินะมีคนมาพูดกับเราเรื่องจริงพูดในเรื่องจริงด้วยถูกเวลาด้วยนะกล่าวถูกเวลาด้วยเวลานี้สมควรพูดก็พูดเรื่องนี้ออกมากล่าวด้วยวาจาอ่อนหวานก็มีกล่าวด้วยวาจา อ, อา่าววาา อ, อนหวานด้วยนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ถ้าเราทําตามเราจะดีนะแล้วก็คนพูดมีจิตเมตตาด้วยบางที่กล่าวออกมาเนี่ย ด้วย เ, เรื่องจริงเป็นคําอ่อนหวานพูดถูกกาละมีประโยชน์ด้วยคนพูก้กมีจิตเมตตาบางทีพูดออกไปเนี่ยคนฟังนี่จี๊ดก็มีกนะ็ เ, เห็นไหมพอพูดเรื่องจริงพูดถูกเวลาอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาคนบางคนโอ้ย่าได้ฟังเรื่องแบบนี้มันยังจีด๊ดตะกินที่ดูเนื้อจิตใจมันแปรป ร, รวน นะักล่าววาจาเป็นบาปมีจิตไม่เอ็นดูมีจิตมีโทสะแล้วก็จิตก็ปั่นป่วนไปแต่ครั้งที่วาจานั้นเป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริ ง, เ ป, เ, ร ง, รงเป็นคําอ่อนหวานคนพูดก็มีจิตเมตตากล่าวทูบไว้ไล่ต่างหากนะอย่าไปพูดถึงคนอื่นเลยบางทีเราเองเขาพูดเรื่องจริงนะัทูบเวลาด้วยอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาเรายังโกรธบางทีนะทาไมพูดเวลานี้นะหรือบางทีพูดผิดไป นึ่งองค์ประกอบแตเรื่องจริงเป็นเรื่องอ่อนหวานมีประโยชน์ ม, ชนมีจิตเมตตาคนพูดนะแต่พูดผิดเวลาแม้มันเวลานี้มันไม่ใช่คนพูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันจีดขึ้นมาก็มีอุชาบอกอย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวโดยกล่าวผิดเวลาด้วยกล่าวเรื่องโกหกอีกต่างหากวาจานี้ก็ออกมานี้หยาบคายร้ายขาจริงๆเรื่องที่พูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยแถมคนพูดยังมีโทษสในภายในต่างหาก พอให้เขาพูดมาอย่างนี้จิตของเราต้องไม่แปรปรวนเราต้องไม่กล่าวอาจารย์เป็นปักเราต้องมีจิตเ e อ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะต้องมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นด้วยและต้องมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาคนที่พูดนั่นแหละเป็นอารมณ์ในการเจริญเมตตาให้ทําอย่างนี้เลยจิตเราจะไม่มีการแปรปรวนเด็ครับ ต้องทรงจิตไวอย่างนี้ภูเขาหินไงท่านฟังวูเขาหินจำได้ไหมลมหนาวก็มีนะลมร้อนก็มีนะฝนเม็ดใหญ่ก็มีนะฝนเม็ดเล็กๆก็มีละอองน้วก็มีนะมอก็มีนะฝุ่นก็มีมากระทบรู้สึกไหมโดนแน่นอนเต็มๆวูเขาหินนี่แต่ว่าวันไวไหม สะดุง้งสะเทือนสะท้านไหมไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนอะไรมากระทบต่อให้มันเป็นเรื่องไม่จริงเขาดาเรามาหรือ ว, ว่าจะหยาบด้วยซ้าเรื่องที่พูดก็ไม่มีประโยชน์มันกล่าวผิดเวลาด้วยเวลานี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้มันพูดต่อหน้าธารกำนันอย่างนี้แล้วก็มีจิตคนพูดนี่โอ้โกักขระมาก มีจิตมีโทสะเราจะต้องมีจิตไม่แปรปรวนเหมือนผู้เขาอีกน่าจะทํำยังไงล่ะจะทํำยังไงพระเจ้าได้เคยพูดถึงอุบายเอาไว้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้พูดถึงพุทธวจนะตรงส่วนนี้ด้วยจึงนําเรื่องนี้มาอธิบายในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นหงู่พิษนี้ด้วยเลยเพราว่าเป็นบทธรรมที่น่าสนใจก็เรื่องของการ วางจิตไว้ที่เมื่อถูกกระทบด้วยวาจาที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้พระเจ้าได้พูดถึงเปรียบเทียบเหมือนกับดินแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยถ้ามีคนเขาเอาจอบกับบุ้งกีมาคุณผู้ฟังเคยนึกถึงจอบกับบุ้งกีใช่ไหมเขาบอกว่าเอาละฉันจะเอาจอบกับบุ้งกีเนี่ยขุดผืนดินนี้ให้มันไม่เป็นดินขุดเข้าไปนะ ใช้จอบบุ้งกีตักขึ้นตักขึ้นเอาอยอมไปทิ้งที่อื่นตักขึ้นตักขึ้นอยอมไปทิ้งที่อื่นคุณทําอยู่หมดร้อยปีมันก็ยังเป็นดินอยู่นั่นแหละมันก็ยังไม่โโบนลงไปดูที่เขาขุดเหมืองเอา้าเขาไม่ได้ใช้จอบกับบุ้งกีนะเ่อนฟังเขาใช้รถแม็กโครรถที่มันเป็นมือตักตักที่ละหนึ่งตันหนึ่งตันขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คันเดียวนะเพื่อนฟังเขาใช้เป็นร้อยคันแล้วรถที่ตักนี่ไม่ใช่แค่ตักที่ละหนึตันนะตักเป็นละสิบสิบตัน เงี้ก็ทาเหมืองใหญ่ๆ ใ, ใ, ในประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่นั่นละ่ะมันก็คือแผ่นดินมันใหญ่มากไม่มีทางที่ใครจะมาขุดให้มันเป็นแผ่นไม่เป็นแผ่นดินไม่ได้เลยแต่คุณขุดล้มลงไปในโลกก็เจาะเป็นรูเล็กๆเหมือนหลอดทิ้มลงไปเฉยเขาจะขุดเจาะน้ํามันกันนะ่ะลูแค่นั้นเองเขาไม่ทําแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินได้ไม่สามารถเลยแต่ไม่มีสามารถเลยที่ลมมันจะมาพาดให้ภูเขามันล้มลงไปได้ เราต้องทาจิตให้เหมือนแผ่นดินเราถึงจะประคองจิตของเราให้มีเรื่องที่ไม่ถูกเวลาเรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายเรื่องไม่ใช่ประโยชน์เรื่องมีโทสามารถกระทบเราก็ยังสบายใจอยู่ได้คือสบายใจนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาดา่าฉันฉันแหมมีความสุขจังเลยอันนั้นมันคงต้องไปโรงพยาบาลนะคิดว่าแต่ว่าอันนี้คือจิตของเราจะไม่แปรปรว น, น, นคือเราจะไม่กล่าวอาจารย์เป็นบาปจะไม่มีจิต ประกอบด้วยมีความโทสะแต่เป็นจิตที่มีความเมตตาอยู่ในภายในมีอะไรมากระทบเราก็ค่อยแก้ไปตามเรื่องตามราวตามเหตุแต่ถ้าในจิตของเราเนี่ยให้มีความสบายอยู่รร้เจ้ายังบอกว่านอกจากทําจิตให้เหมือนดินแล้วเนี่ยทจิตที่เหมือนอากาศก็ได้อย่างถ้ามีคนเอาสีสีน้ำสีเทียนสี สเปรย์หรือว่าสีอะไรก็ได้จะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรก็ตามแต่บอกว่าเอาล่ะฉันจะเอาสีเทียนนี้เขียนภาพให้ปรากฏในอากาศือฟังเขาดีๆครั้งหนึ่งเขาจะอาสีเนี่ยไปเขียนภาพให้มีในอากาศนะท่านผูฟังมันมันเป็นไปได้ไหมมีการแสดงท่านผูฟังไม่แน่ใจเคยเห็นหรือเปล่าที่เขาเอาน้ําพ่นไปในอากาศใช่ไหม แล้วก็ เ, เลเซอร์ฉายลงไปเนี่ยเป็นภาพต่างๆโหเหมือนอมีภาพปรากฏอยู่ในอากาศแต่นั้นไม่ใช่อากาศนั้ น, นั่นเราองน้ํารองน้ํำพอมันหยุดพ่นมันก็หมดไปหาภาพไม่เห็นแล้วเขาไม่สามารถทําได้เลยเอาสีน้ําก็ได้เอาศาสตร์เข้าไปในอากาศมันไม่พอจะเป็นรูปหรอกมันก็ไหลออกหมดผ่านไปหมดมันไม่สามารถทําได้เลยคือถ้าเราทําจิตให้เหมือนอากาศ คุณจะชกอากาศต่อยอากาศเอาศอกใสนะ่หรือว่ากระโดดถีบมันมันไม่มีทางที่จะโดนอากาศเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในที่ไร่ไให้ทำจิตให้เหมือนอากาศไม่ว่าเขาจะด่าเราด้วยคำหยาบคำไม่จริงไม่มีประโยชน์มีจิตโทสะเรื่องเรื่องไม่ใช่การด้วยไม่เป็นประโยชน์ด้วยจิตเราจะไม่แปรปรวนได้จิตเราจะเป็น มีเมตตาอยู่ได้หรือว่าถ้าเปรียบเหมือนกับคนเขถือเอาคบเพลิงมาเ่เป็นคบเพลิงที่ทําด้วยหญ้าทําด้วยหญ้านะหญ้านี่ก็หมายถึงเหมือนกับต้นข้าวเนี่ยแต่เป็นต้นหญ้าทํามาจากเหมือนหญ้าคาหญ้าอะไรพวกนี้นะเกี่ยวเกี่ยวมาหยิบหยิบมาดึงๆึงออกมาแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับรูปคบเพลิงออกมาแล้วก็ถือคบเพลิงนี้ไปบอกว่าเอา้าฉันจะเผา แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยให้มันเดือดพร่านร้อนจัดฟังเขาดีๆนะเขาจะเอาคบเพลิงหย่าเนี่ยมาเผาแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำโขงก็ได้หรือแม่น้ำเจ้าพญาก็ได้ว่ายอย่าว่าแต่แม่น้ำเจ้าพญาเลยต่อให้แม่น้ำปิงแม่น้ำโยมเขาก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคบเพลิงญ่าเนี่ยุยมันให้แสงแป๊บเดียวเองนะให้แสงแป๊บเดียวทําได้อย่างดีก็ไปทําไก่อบฟางคะ แต่จะมาเผาแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยนะให้มันเดือดพร่านร้อนจัดเนี่ยโอยต่อให้คุณไปขุดอะไรมามันเ อ, เอาระบบแก๊สลงไปต่อท่ออย่างดีเผามันมันก็ยังทํายากเลยเพราะกระแสน้ํามันไหลไปเรื่อยๆแความร้อนมันยังไม่ทันถึงจุดเดือมมันก็ผ่านไปแล้วน้ําใหม่ก็เข้ามาแล้วทำได้ยากมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ก็พูดไม่ถูกฟังให้ดีๆ เพรนเวลาที่ถ้าเราทําจิตให้เหมือนน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยใครเขาจะถุยอะไรใส่ลงไปนะเอาปัสสาวะใส่ลงไปนะน้ําเขาก็ไม่รู้สึกอึดดัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นเหมือนการเวลาที่ลมมันพัดผ่านเข้าไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเนี่ยโสโครกบ้างน้ํามูกน้ําเหลืองน้ํำหนอจจาระปัสสาวะเนี่ยลมก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือว่าคุณจะถุย น้ำลายลงไปในแผ่นดินเทของโสโครกหรือของสะอาดก็แล้วแต่ลงไปในแผ่ น, ผนดินแผ่นดินก็ว่าโอ้อยายเทลงมาหาฉันเขาไม่เคยพูดนะเขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดรารังเกียรติด้วยสิ่งเหล่านั้นถ้าเราทำจิตให้เหมือนดินก็ได้เหมือนอากาศก็ได้เหมือนน้ําก็ได้นะจิตก็เราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาร์เป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอนดูเกื้อกูลมีจิต ประกอบด้เมตตาในภายในพระเจ้ายังเคยเปรียบเทียบกับถ้าเราเอาหนังแมวป่าขนฟูคือแมวป่าขนฟูด้วยเอาหนังเขามันมาสมมุติมันตายแล้วเอาหนังของมันมาแล้วมาฟอกนวดอย่างดีเวลาหนังเนี่ยถ้าเขาต้องการให้ทํามันนิ่มๆเนี่ยก็จะทุบๆๆๆๆๆเหมันทุบเนื้อหรือว่าทุบหนังอนี้คือหนังแมวป่าเนี่ยทุบอย่างดีทุบจนอ่อนนิ่ม นะไม่ส่งเสียงไม่ส่งกลางวันเสียงทุบอย่างดีเลยแล้วในระดับนั้นก็มีคนเอาไม้หัวหมงมาเหมือนที่ตีคลองเนี่ยไม้หัวหมงมงุมง้มงมุ้งนี่แล้วก็จะบอกว่าจะมาตีให้หนังแมวป่าขนฟูแผ่นเนี้ยส่งเสียงดังเสียงปรึมๆมเหมือนกับกลองเนี่ยนะถ้าเขาอาไปขึงเอานหนังวัวหนังควายที่เรียบเรียบเนี่ยไม่มีขนเนี่ยทําให้มันแน่นแล้วเนี่ยเอาไปขึงตีมันต้องเดียงตุ่มตุมตุ่มๆเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขาจะทําอย่างเงี้ยกับหนังแมวปา่าขนฟูแผ่นนี้นะให้ส่งเสียงพรึมๆออกมาด้วยไม้หัวโมกหรือท่อนไม้ธรรมดาก็ตามจะท่านฟังจะรู้ว่าช่างทําหนังะหรือว่าคนที่อยู่ในธุรกิจเรื่องพวกนี้จะรู้ว่ามันไม่มีทางทําได้เพราะว่าหนังนี่มันฟอกนวดมาอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงมีน้ํายาอยู่ในทุกอ น, นูของแผ่นหนังแต่มันไม่มีทางที่จะส่งเสียงได้เหมือนกันเวลาที่เราถูกวาจา ที่ไม่ดีหรือดีก็ตามมากระทบตึมเขาให้มันทะลุผ่านหูเข้ามาถึงใจจี๊ดอยู่หรือว่าหลงอยู่ในะจิตก็เราต้องไม่แปรปรวนแตนะ่ถ้าเราทำจิตให้เหมือนดินให้เหมือนน้ำให้เหมือนลมหรือเหมือนหนังแผวป่าขนฟูแผ่นนี้หรือเหมือนไฟก็ได้นะเอาไฟมากุนยนทิ้งของสอาดไม่สาดลงไป ไฟก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดราอาังเกียจด้วยสิ่งที่เขาทิ้งลงไปถ้าเราทำจิตได้อย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่มีจิตไม่แปรปรวนวาจาของเราก็ไปตามจิตนั่นแหละมีวาจาที่ไม่เป็นบาปมีจิตเอนดูเกื้อกูลในบุคคลนั้นได้ผู้เชา่ายกตัวอย่างที่ดีมากๆสุดท้ายยังนหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับถ้าเขาเอาเลื่อย มาเลื้อยเราเอาเลื้อยที่ชนิดที่เหมือนกับมีด้ามจับสองข้าง เ, เวลาต้นไม้ใหญ่ๆที่เขาเลื้อยไฟฟ้ า, าที่เป็นเลื้อยโซ่เนี่ยนะไม่สามารถตัดได้ก็ต้องเอาเลื้อยที่ยาวๆมีด้ามจับสองคนนำม า, าหันเข้าไปเลื้อยเข้าไปในต้นไม้นี้จังหวะจากคนในการเลื้อยก็ต้องเป็นช่างเลื้อยที่ฝึกมา ให้เขาเอาเลื่อยประเภทนี้มาเลื่อยตัวเราออกนะเราเราจะต้องไม่แปรปรวนทุกฟังเข้าใจไหมว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันอยู่ในตำราพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คนหนึ่งเขาก็จำมาเขียนบันทึกเอาไว้ทรงผ่านกันมาเราไม่รู้เลยมันทำได้จริงหรือเปล่าท่านฟังจะรู้ได้ไงทำได้จริงไหมโอ้ยแค่เขาเอาเข็มมาตำเราหรือว่าโดนชนเรานหนิดนึงมันจีดแล้ว อย่าว่าแต่เอาเรื่อยมาเรื่อยตัวเราเลยเอ๊ะมันทําได้จริงยังไงทำไมเมตตาเมตตาบอกให้ทําแต่ทําไมเรายังทําไม่ได้มันยังจีจัดเปรี้งปร่างอยู่ก็เพราะว่าคุณทําถูกหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมตตาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ทํามาแล้วแต่ก่อนทํามาอย่างดีทํามาก่อนนะสมมติเราจะหวังผลวันนี้ เมื่อผ่านคุณนำแล้วหรือเจริญแม่ตาหเปล่าอาทิตย์ที่แล้วคุณจเจริญแม่ตาแล้วเปล่าเดือนที่แล้วคุณจเจริญแม่ตาแล้วเปล่ามีที่ผ่า น, านมาปีหนึ่งสองปีที่ผ่านมาคุณจเจริญแม่ตาทุกวันไหมถ้าคุณทำวันนี้คุณจะได้ผลหรือถ้าวันนี้คุณทำพรุ่งนี้คุณหวนงผลได้เพราะว่าเราทำมาแล้วแต่ก่อนคือทำมาก่อนว่างั้นเถอะเหมือนวัคซีนนะท่านผังเหมือนวัคซีนฉีดก่อนเจอโรคเวลาเราไปหาหมอโดนยุงกันอย่างเนี้ย คุณดวนยุงกัดเขาจะถามคุณเลยก่อนยุงกัดหรือหลังยุงกัดก่อนยุงกัดต้องยายอีกแบบหนึง่งหลังยุงกัดต้องยายอีกแบบหนึง่งถามว่าตอนนี้เรากำลังจะใช้เมตตาเป็นวัคซีนป้องกันจิตไม่ให้มันแปรปรวนคุณต้องฉีดก่อนนะวัคซีนต้องกินก่อนเราเมตตาใส่เข้าไปในจิตเห็นผู้เขาต้องฝ้าทะเลแม่นม้ําเด็กน้อยต้นไม้เราจเจริญเมตตาได้หมดจิตเราจะเป็นวัคซีนมีวัคซีนป้องกัน ความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นฟูขึ้นมาจากวาจาที่เขาจะมากล่าวหาหาประการนี้เราจะทำประหยัดไม่ให้เป็นงูพิษได้เอาความรู้นี่มาใช้ให้ถูกใช้ก่อนเลยลงมือทำก่อนทำเดี๋ยวนี้ทำตอนนี้ไม่ต้องรอลมหายใจต่อไปเอาลมหายใจนี้มีเมตตาซะเมตตากับตัวเองก็ได้เมตตากับวิทยุก็ได้เอเมตากับคนรอบข้างแผ่ไปให้ถึงที่สุดทั่วทิศทาง ทุกทิศทางเบื้องหน้าเบื้องหลักขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเกษมมีความเจริญในวันนี้รายการธรรมะรับบุญมีข้าพเจ้าพระไปบูุ์อภิปุญโนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร